14. ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมถ้าภาวนาถึงจะแจ่มแจ้งในอริยสัจถ้าเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งก็จะข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดแล้วตราบใดไม่เข้าใจอริยสัจยังต้องเกิดอีกเรื่องที่พูดคือทุกข์กิจต่อทุกข์คือให้รู้กายให้รู้ใจหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เครื่องมือคือสติสัมมาสมาธิและปัญญาสติจะเกิดได้อย่างไรสติไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากการกําหนด แต่สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นฉะนั้นต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆสัมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเกิดจากการเรียนจิตสิกขาเราต้องเรียนให้แจ่มแจ้งจนกระทั่งเราจับลักษณะจับสภาวะของจิตได้แม่นยำว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลชนิดไหนเป็นกุศลธรรมดาธรรมดาชนิดไหนเป็นกุศลแบบสมถะ ชนิดไหนเป็นกุศลแบบวิปัสนาพอจําแนกแยกแยะได้แม่นยําเมื่อมีสัมมาสติระลึกรู้ทุกรู้กายรู้ใจมีสัมมาสามาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจไม่ใช่ตั้งแช่อยู่กับกายกับใจผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดขาดสติขาดสัมมาสามาธิฉะนั้นปัญญาที่แท้จริงจะไม่เกิดสติที่พวกเรารู้กันเบื้องหลังเป็นสติที่เกิดจากการกําหนดจดจ้องโ น, ôm, น้มนําบังคับให้เกิดสติชนิดนั้นมันไม่ใช่ของแท้ สติที่เป็นของแท้มันเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วจิตจะมีสติขึ้นมาโดยจิตจะตั้งมั่นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสภาวะทั้งหลายการรู้รูปธรรมให้รู้ลงปัจจุบันการรู้นา ม, มาทำให้รู้ตามหลังไปติดๆพอรู้อย่างนี้มากๆเข้าสภาวะธรรมแต่ละชนิดทั้งทางกายและจิตแสดงไตร ล, ลักษ์ให้ดูการที่เราเห็นไตร ล, ลักษ์ของกายของจิตนี่แหละคือวิปัสสนา เพราะลำพังเห็นกายลำพังเห็นจิตยังไม่ใช่วิปัสนาแต่ต้องเห็นกายเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นวิปัสนาผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดถึงแม้จะรู้กายรู้จิตก็ไม่ได้รู้แบบวิปัสนาแต่ไปรู้แบบเพ่งเพ่งกายเพ่งจิตการเพ่งเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นลักษณะของกายของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาพอเดินวิปัสนาแก่รอบจริงๆรู้ว่ารู้ทุกแจ่มแจ้ง รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างบางคนเห็นกายเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเห็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์คือเห็นทุกขะสัจจะเพราะมันมีทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันกระจอกงอกง่อยใครๆก็รู้หมาแมวก็รู้หรือบางคนเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตา เห็นความไร้สาระไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงมีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เห็นมีอะไรน่ารักเลยเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งในมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์เห็นเพียงมุมเดียวไม่ต้องเห็นทุกมุมหรอกแต่เวลาปฏิบัติเดี๋ยวก็เห็นมุมโน้นเดี๋ยวก็เห็นมุมนี้แต่เมื่อเวลาเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเห็นมุมใดมุมหนึ่งเช่นเห็นจิตผ่องใสแล้วมันก็มองได้อีกบางท่านก็เห็นมันทุกข์บางท่านก็เห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระถ้าเห็นทุกข์ แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติสมุทัยจะดับอัตโนมัติคือไม่เกิดอีกเลยคือละแบบสมุทเฉทประหารคือไม่มีอีกแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นทุกแจ่มแจ้งสมุทัยจะเกิดเป็นคราวๆ ค, คือตราบใดยังไม่เห็นว่ากายกับใจเป็นทุกขยังยึดมั่นถือมั่นในกายในใจสมุทัยหรือตั้หาความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุก์จะไม่หมดไปแต่ถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้ง ว่ากายกับใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือแล้วปล่อยวางความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็ดับไปโดยอัตโนมัติรู้ทุกแจ่มแจ้งเป็นอันละสมุทยัยทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธหรือนิพพานก็แจ้งในขณะนั้นเลยนิพพานคือสันติคือความสงบความสงบจากกิเลสสงบจากขันสงบจากการปรุงแต่งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วสงบจากการปรุงแต่งอเนจชาสมาบัติทั้งหลาย ในความสงบนั้นมีความสุขอันมหาศาลแทรกอยู่จิตที่ไปรู้นิพพานจิตที่เข้าถึงนิพพานมันจะมีความสงบเรียกว่าสันติสุขนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากการปรุงแต่งนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าถ้าเห็นนิพพานเป็นความว่างเปล่าเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อใดใจเราหมดความดิ้นรนจะเห็นสันติสุขเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาในขณะที่สิ้นปัญหา สิ้นตันหาก็ในขณะที่รู้ทุกแจ่มแจ้งในขณะที่สมุทัยดับอัตโนมัติในขณะที่แจ้งนิโรธฉับพลันขณะนั้นก็คือขณะที่เกิดอริยมรรคขึ้นฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เกิดในขณะเดียวกันในขณะที่แจ้งอริยมรรคก็คือรู้ทุกแจ่มแจ้งละสมุทัยเด็ดขาดประจักษ์ถึงนิโรธถึงนิพพานในขณะเดียวกันถ้าแจ้งตรงนี้แล้วครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบัน แจ้งไม่มากพระโสดาบันรู้นิดเดียวรู้แค่ว่าตัวตนไม่มีเพราะเคยไปเห็นนิพพานมาครั้งหนึ่งแล้วนิพพานไม่มีตัวตนไม่มีขันจริงๆขันไม่ใช่ของแท้ของจริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆพระโสดาบันก็เห็นแค่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีตัวตนในขันห้าและไม่มีตัวตนนอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีตัวตนในที่ใดเลยพระสกิทาคามีก็เห็นแค่นี้วงเล็บเปิด แต่สติเร็วขึ้นวงเล็บปิดพระอนาคามีลึกซึ้งขึ้นไปอีกเห็นกายนี้ทุกล้นล้วนจนไม่ยึดถือกายเมื่อไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโ พ, พัพภะดังนั้นกามและปฏิฆะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรู้แจ้งในกายก็ละกามราคะและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีรู้ลงไปอีกการปฏิบัติจะขีดวงเข้ามาอีกจนรู้จิตแจ่มแจ้ง หลวงปู่ดูลบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมัคปิดเครื่องหมายคําพูดแท้จริงก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคืออรหัตตะมัคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือจิตเห็นจิตเป็นทุกข์ล้นล้วนก็ปล่อยวางไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วเพราะสิ่งที่ยึดถือเนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองสุดท้ายก็เพราะรักจิตนั่นเองก็เลยเกิดอีกจิตนั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้